กราบขออนุญาตเทระนุเทระ น, นะครับก็โอกาสในการบรรยายธรรมครั้งนี้นะครับก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับมหาิประฐานสี่นะครับซึ่งเป็นหัวใจในการปฏิบัติธรรมทำไมถึงสำคัญยังไงที่เราสวดกันเนี่ย ทวัตช้าทวัตเย็นพระเถองก็ชี้ให้เห็นว่าชีวิตนี้ก็คือทุกข์นะครับคือกายใจนี่เราเป็นทุกข์โดยเฉพาะในยุคใหม่นี่หลวงพ่อเทียนก็จะเน้นว่าแล้วก็หลวงปู่ดูลอตุโลก็พูดเหมือนกันว่าคนเราทุกข์เพราะความคิด ต่ความจริงมันก็รวมทั้งชีวิตจิตใจนะครับในพระสูตรก็จะมีว่าที่เราสวดบรรจุปาทานขันธาทุกขาขันห้าเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นคือทุกคือเป็นตัวทุกเลยแล้วขันหน้าก็คือกายใจหรือบางทีทางพระรก็เลยรูปนามก็ กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยปกติมันก็ทุกอยู่แล้วถ้าเราไปที่จบโดยอริยศัสตร์ข้อแรกก็คือขันหานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นที่มัน่นบรรจุ ป, ปาทานขันธาทุกข์า้าคือเราไปยึดม่อเข้าไปอีกว่าเป็นอัตตาตัวตนมันก็เลยทุกซ้ำสองก็มีพระสูตรหนึ่งคือว่าอุถุชนเนี่ยถูก อ่ายิงด้วยศอนลูกที่หนึ่งแล้วก็โดนยิงด้วยลูกที่สองพระอริยะท่านก็โดนยิงด้วยลูกที่หนึ่งแล้วก็โดนยิงซ้ําด้วยลูกที่สองแต่ว่าพลาดมันต่างกันตรงนี้ฮกุฎชนนี่รับไปทั้งสองลูกพระริยะนี่จะพลาดเป็นหนึ่งลูกลูกหลังคือว่าท่านไม่ยึดว่าเป็นตัวตนคือขันท่าท่านก็ต้องรับว่ามันเป็นทุกข์ของมันแต่ว่าท่านไม่ยึดว่าเป็น ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือท่านไม่ยึดเพาะเป็นตัวท่านคือมันเห็นอนตาว่ามันไม่มีเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือท่านเห็นความจริงอันนี้อันนี้ทําำไหนที่ว่ามีเราสวดทำไฉนจึงจะพ้นไปจากทุกนี้ได้คือทุกนี้พุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าให้กําจัดนะฮะให้รู้นะให้รู้แต่ให้ละตัณหาก็อสอง คือพระพุัญหาวิพทุทธัญหากามปัฏฐานะปัฏฐาเนี่ยการปัฏฐานาวิปัฏฐนาพระพุัญหาสามเนี่ยก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้ต้องละเมื่อมันละได้เหตุแห่งทุกข์ไม่มีก็ไม่มีทุกข์ตามมาท่านที่ทํำยังไงพระศาสดาที่ท่านทรงมีเมตตามากท่านให้สู่สําเร็จไปแล้วคือเล็กสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่คือคือดูตัวเราเองเนี่ยทั้งหมด ดูกายใจเราจะมีว่ากายเวทนาจิตธรรมฐานทั้งสี่ฐานทั้งสี่ก็คือดูตัวเราเนี่แหละมันมีไงมัง่ง เ, เอาด้ายอดนะฮะกายเนี่ยก็มีที่ใช้ประจำก็คือสรุปแล้วมันมีสองอย่างคือหนึ่งคือดูการเคลื่อนไหวสองดูความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในกายใจเนี่ย คือเห็นอันนี้จังทุกขังนัตตาการเคลื่อนไหวนี่ดูยังไงมีสามอย่างาที่ท่านพูดไว้คือหนึ่งอนาปนาสติอนาปนสติไม่ใช่แค่ว่าหายใจเข้าออกอย่างเดียวนะฮะที่ว่าพุทโธพุทโธนะั่นไม่ใช่มันมีตั้งสิบหกขั้นนะะผมจะไม่ไม่บรรยายละเอียดเพราะว่าจะพลาดจุดไปแต่ว่าถ้าทำ คือดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจหลวงของลมหายใจโดยที่กลายไม่เคลื่อนไหวเข้าใจนะฮะเรานั่งนิ่งก็จริงแต่เราดูลมหายใจการเคลื่อนไหวของลมหายใจที่เช่นที่ปลายจมูกหรือเล็บฟี ป, ปากเนี่ยคือไม่ต้องไปตามลมถ้าตามลมเนี่ยมันกลายเป็นสมถะไปเน่นแต่บางคนเขาจะสอนให้ใหายใจเข้าตามลมไปถึงทองมาห้กับคือมันมันไปฝังอยู่ที่ตัวที่ตัวลมนี่ไม่ถูกคือแล้วเฝ้าดูมัน ที่ปลายจมูกเนะี่ยดูลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าสั้นเข้ายาวก็รู้ก็ไปสองขั้นแล้วแล้วก็ขั้นที่สามที่สี่เช่นว่ารู้ว่าเห็นกองลมหายใจทั้งทั่วทั้งหมดนะแล้วก็ที่สี่คือรู้ว่าลมหายใจเนี่ยเป็นกายะเป็นกายะสังขารคือมันปรุงแต่งกายนะนะสมมติเราตื่นเต้นเนี่ยลมหายใจก็จะถี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นนะฮะ บางคนก็ตื่นเต้นมากกั้นหายใจก็มีนะยังบางทีฝรั่งเขาก็มีว่านักร้องอเปราเพ่บาบอกว่าครูก็สอนว่าต้องหยุดกั้นหายใจนะเพราะว่าเขาตื่นเต้นมากเนี่ยเป็นนักร้องกลับไปกั้นหายใจมันมันก็กลายเป็นฝืนตรงข้ามใช่ไหมคคือธรรมชาติมันก็แปลกมันมีเรื่องอย่างนี้ก็ตลกดีเหมือนกันผมก็รู้ว่าเออจริงนะบางทีเราตื่นเต้นมากเราไปหยุดกั้นหายใจทําให้ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีก ออกซิเจนก็ไม่ได้สมองก็ไม่เดินกลับกลับกันไปเขาก็อับปรุงแทําทำให้เขาร้องได้ดีเป็นเป็นนักร้องดังของโลกเลยอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึง่งที่ว่าลมหายใจเป็นกายสังขารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็ดูพวกจิตเวทน า, าจิตธรรม อ, อันนี้ก็เป็นลมหายใจที่ดู ก, กายนอาณามรัสิ สิบหกคันในเบื้องสี่ขัน้นพระเวทนาก็มีดูดูว่ามีปิติสุขอะไรนี้แล้วก็เห็นว่าปิติสุขนี้มันปรุงแต่งจิตอ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้สงบระ ง, งับเป็นต้นก็เป็นแปดคันแล้วก็ดูจิตอีกสี่คันแล้วก็ดูไปดูธรรมอีกสี่คนอันนี้จะผ่านไปก่อนเราอยังยังดูการขึ้นไหวอย่างอืง่นเช่นอริา seasons, อ ย, ายาปถะพภะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นอริยาบทใหญ่ที่เรา ใช้ประจำในชีวิตประจำวันเรา uh huh. แล้วก็ยังมีอิรยาบดย่อยที่เรียกว่าสัมปชัญญะปัฏอ h á พระจงคจะยกตัวอย่างเช่นว่าพระจะจะยกตัวอย่างอันนี้ซ้าๆกันเช่นเดินหน้าถอยหลังถอยหลังนี่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้แต่เราถ้าเราไปตามสนามบินจะต้องใช้เพราะเข้าส้วมเนี่ยที่มันคับแคบมากกระเป๋าเราก็เต็มเราอยังงอย่าง uh, ประตูก็ปิดไม่ได้้าต้องระวังอย่าไปโดนท่ซ่วมนะฮถอยหลังก็ต้องรู้ตัวเดินหน้านี่ก็ขยับหน้านี่เดินหน้าเราก็ใช้อยู่ประจำอ่าเลี้ยวซ้ายแลขวาก็รู้คู่เข้าเหยียดออกเช่นวิถีของลพบุเทียยนี่ชัดเจนเลยนะฮะ อ, อ่แล้วก็ของพระจะทรงบาทสังฆติละจีวอนะฮะอ่าทรงสังฆติบาดละจีวอน อ่าก็คือคือาวว่าก็คือการแต่งกายธรรมดาเนี่แหละการแต่งกายแล้วก็มีการอ่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสอยิยาบท ย, ย, อย่อยๆที่เราทำให้อุจจาระปัสสาวะก็ให้รู้นะคือการรู้สึกตัวเนี่แหละแล้วยังมียืนเดินนั่งหลับก็ให้รู้ไปนอนตื่นก็ให้รู้พูดก็ให้รู้นิ่งก็ ก็ต้องรู้อันนี้ยิ่งยากอ่ะบางทีอยากจะพูดแต่ก็ถามแต่ต้องนิ่งไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องให้รู้ตัวนะาการรู้ตัวนี้ก็ท่านจะยกตัวอย่างเนี้ยเป็นแนวคือถ้าพิจารณาแล้วคล้ายวิธีของหลวงพ่อเสียงเมื่อก่อนผมอ่านแล้วไม่เข้าใจเอ๊ะตรงนี้มันทําไมมันทําอย่างนี้โอ้ยนี่มันไม่ลําบากหรือรู้ไปหมดเลยทุกมันน่าจะลาคาญนะเขว่าทำรู้สิ ข, ของหลวพ่อเสียงอ๋ออันเดียวกันนี่ ได้ได้สัมปชัญญะปัจภาคทาไมพระสงค์แยกออกมาแยกออกมานะจากอิรยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนทําไมแยกออกมาที่แยกกออกมาเพราะว่ามันมีประโยชน์สูงขึ้นไปคือว่ามันตั้งคือท่านทรงตั้งชื่อว่าสัมปชัญญะปัจภาคหมายว่ามันให้ความรู้สึกตัวที่เด่นขึ้นมาไม่ใช่สติอย่างเดียว คือสัมปัญญะปัพพะเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกตัวสูงผู้ทรงหนึ่งแยกออกมาจากเอริย า, ยาปัทเธอปัพพะซึ่งจะเน้นไปทางด้านสติในการเดินเดินนั่งนอนในในสัมปัญญะหรือความรู้สึกตัวก็จะมีสติสมาธิปัญญาครบเลยถ้าอย่างน้อยก็มีคือในในความรู้สึกตัวมันรู้สดสดรู้ที่จุดนี้ ไม่มีการยู้ร้อนย้อนหลังแบบสติมันความระลึกได้อาจจะรู้ไปในอดีตได้ว่าเออวันนี้เราเมื่อกี้ออกมาจากกุฏิล็อกห้องแล้วเปล่าอั น, นั้นสติธรรมะรู้เดี๋ยวนี้เฮปิดลูกบิดก็รู้กําลังขันลูกบิดก็รู้กําลังดื่มน้ําก็รู้ในนั้นมีสติพร้อมอยู่ด้วยแต่ในสติอาจจะไม่มีไม่มีความรู้สึกตัวือสัมผััญญาอยู่แต่ในสมัมผัสจะมีสติสติอยู่เสมอ จะมีสมาธิด้วยเพราะว่าในความรู้สึกตัวเนี่ยเราสามารถรู้สึกได้อย่างไงเรารู้สึกได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นคุณก็แยกรูปนามของคุณอยู่แล้วแยกรูปแยกนามคือคือรู้ด้วยใจในการเคลื่อนไหวของกายนะไม่นั้นมันจะไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวแล้วรู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นใจกายนี่มันแยกให้เห็นอยู่แล้วที่ว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นต้นๆ้นน่ะ นา ม, มารูป ป, ปริเชทยานคือเป็นการแยกกายใจในขั้นพื้ น, นฐานนะก็เป็นอ่าก็มีสมาธิอยู่ในนั้นถึงแยกรูปนามออกมาได้แล้วก็มีปัญญาอย่างที่บอกเป็นวิปัสนาญาณขั้นต้นนะแล้วถ้าดําเนินต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นทางไปสู่ปัญญาที่แท้จริงท่า น, นอาจารย์โกวิเคมานันธาบอกว่าความรู้สึกตัวนี้เป็นทั้งลายแทงและคุมทรัพย์ คือถ้าปฏิบัติไปเรื่อยจะไปถึงจุดแห่งปัญญาใชนะครับถึงมีความโดดเด่นในในด้านความรู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวสามอย่างดูลมหายใจดูยาพัทธปปะและดูกิายาบทย่อยคือสัมปชัญญะประโซนอีกสามอันที่พระพุทธองค์ได้กป่าวไว้ในกายกา ย, ยสตาุสติปฐานเนี่ย กายคตาสติพทานก็คือให้ให้ดูโดยวิธีสังเคราะห์หรือวิเคราะห์วิเคราะห์เช่นธาตุสีดินน้ำลมไฟือเอามารวมภาษาฝรั่งแล้ยกว่าแทกออไรเชเช่นว่ า, าเนื้อหนังเรากระดูกฟันพวกนี้เป็นเป็นของแข็งเป็นธาตุดินธาตุน้ำเช่นน้ำตาน้ำมูก เลือดหนองสเเลดน้ำลายแล้วพวกนี้ก็ น, น้ำลมก็คือพวกแกส๊สพวกลมที่เราหายใจเข้าไปเอาออกนี่ไฟก็คือพวกความอุ่นในร่างกายเราเมตาโบลิกคีทที่เราทานอาหารทุกวันเนี่ยเพื่อบรรุงร่างกายให้เรามีมีความร้อนเกิดขึ้นเผาผลาญให้ดำรงอุณหภูมิไว้สามสิบเจ็ดกรีเซนติเกต ร่างกายก็จะปรับตัวไว้อยู่ตรงเนี้ยมากเกินไปก็เป็นไข้ไม่สบายน้อยไปก็หนาวสั่นก็สั่นสะท้านเพราะว่าความร้อนไม่พอฮก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่พระองฆ์รวมไว้เป็นหมวดหมู่ให้เห็นว่าความแปร ป, ปรวนเปลี่ยนแปลงของมันฮให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันตอตัดไปก็อันที่ห้าก็จะเป็นอพวกปฏิกูล สัญญาพวกนี้เช่นที่พระท่านจะให้กรรมาฐานเป็นเป็นวิธีวิเคราะห์นะครับอันแล้อันเมื่อกี้มันสังเคราะห์อันนี้วิเคราะห์ว่าส่วนย่อยๆในกายเรามีสาสิบสองส่วนที่พระประชาจะให้พระเวลาหรือเ네นนเวลาบวชให้ดูของคมขนเล็ดฟันหนังแล้วก็ต้องกลับไปกลับมาให้ดูเป็นตัวอย่างที่ยังมีสาสิบสองส่วนท่นมีมากกว่า น, นั้น อตับม้ามดีอะไรอย่างเงี้นะฮะกระดูกเอ็นอมีเนื้อมีไตมีเสมหะน้ำลายน้ำมูกแล้วไปถึงอาหารใหม่อาหารเก่าในลําไส้ด้วยก็ออันนี้ก็ไปหาอ่านได้แต่ดูเป็นตัวอย่างให้ดูห้าอย่างเช่นผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเราคอยดูแลทุกวันนะฮะถ้าไม่ดูแลเนี่ยมันก็เหม็นสาบหรือว่าคนก็ไม่อยากเข้าใกล้พูดอะไรก็มีกลิ่นปาก ก็นะต้องคอยดูแลทุกวันแต่เราไม่เห็นเราไปร้านสวยก็ทำให้มันดูมันสวยก็หลอกตัวเองไปได้อีกวันนะ <c oughs> ให้คนอื่นเขา <c oughs> เห็นว่าเราก็ดูดีนะฮะของพระนี่ท่านสบายคนหัวลูกเดียวก <c oughs> ็สบายหน่อย <c oughs> แล้วมีฝรั่งมาดูมาจับจีวรที่ที่ที่เมืองนอกนะโอ้เป็นสมัมนิวเอชก็บอก จากจีวรท่านสองพันห้าร้อยสองันหกร้อปีแล้วยังยังนิวเอชนั่นก็เป็นเด็กวัยรุ่นมามาจับดูขอจับจีวรดูก็เป็นของใหม่ไป <c oughs> คือไม่ลาสมัย mm hmm. อ, อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง mm hmm. ผมคนเล็บปันหนังแล้วสุดท้ายคือนวสศีวัติขานก็ต้องไปที่ปราชาไปดูศพคือไปดูให้เห็นว่าตัวเราต่อไปเนี่ยถ้าเรา เน่าสลายแตกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคือเราไม่สามารถรู้เราได้ว่าต้องไปดูไปดูซากศพที่เขาเพิ่งฝังอะไรเงี้ยให้ดูว่าเป็นยังไงอ่านะแต่อินเดียมันอ่าไม่ต้องไม่ต้องหาก็ไปไม่ต้องมีนัดนะไปที่แม่น้ําคงคาก็จะเห็นแหละบางทีรอยศพไปไม่ต้องไปแต่เช้าไปดูพระอาทิตขึ้นจะเห็นศพลอยมาจากน้อยสอ ง, งสามศพรั บ, บรบองอาจจะมีวัวลอยมาด้วย บัวที่ตกน้ำถ้าดูเขาเผาศพ ท, ที่ขาดที่การ์ดก็เลยไม่รู้คําเดียวกับถึงขาดหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจฟังดูแล้วมันคล้ายๆกันกา็าเลยเป็นเขเป็นริมน้ําเป็นกระไดแล้วก็จะเผาศพเ้อคนไหนจ่ายค่าฟืนน้อยเผายังไม่ทันไม่ดีเขาก็ทิบลงแม่น้ําแต่ถ้าถ้าเป็นพวกพรามณ์นี่เขาไม่ไม่ต้องเผาเพราะว่าเขาบอกข้อบริสุทธิ์แล้ว เขาจะมัดมัดด้วยผ้าขาวแล้วเอาเอ า, เอาเห็นถ่วงน้ำ <c oughs> เป็นเป็นผ้าผันรอบตัวอันนี้ก็บางทีนี้ก็ไปฝังก็บางทีมันก็ฝังไม่ได้มิดอะไรอย่างเงี้ยพวกหมามาคุยอะไรนี่ตามศพนี่ลานประชาก็จะมีศพให้ดูเดยอะแยะสมัยเดียรแต่ว่าสมัยนี้มันทุกคนก็ทำใส่โลงเรียบร้อยนะโดยเฉพาะฝรั่งนี่ก็จะ ก็เลยเอ็บามฉีดสีแต่งหน้าให้ฉีดน้ำยาแต่งหน้าเรียบร้อยเหมันคนหลับดูไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงก็ให้ดู9้าขั้นตอนนะนวะไปว่าเก้าเส้นแต้มันพองอือกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมามีมีกระดูกเอ็นแยกออกจากกันยังยังมีเนื้อทุ่มอยู่ก็ก็เลยแต่กระดูกกับเอ็นเอ็นหายไปเลอแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นแตกสลาย ออกไปก็ให้เห็นว่าต่อไปจะเป็นยังไงท่านนี้มันไม่สะดวกที่จะเห็นแล้วต่นนี้เพราะฉะนั้นก็จะเหลือข้อห้าข้อแรกก็ต้องพิจารณาสามข้อหลังสามข้อแรกนี่เป็นวิธีที่ดูการเคลื่อนไหวก็จะสะดวกรับรู้ได้ทันทีโดยเฉพาะวิธีขององค์พระเทียนเนี่ยด้ใครถนัดปฏิบัติไปด้วยก็ได้ผมถือม้ไว้ก็ไม่ค่อยสะดวกก็จะเห็นผลว่ามันมี มีเกิดความรู้สึกตัวสูงรู้สดสดอาจารย์โกวิทเรียกว่าสวสัสดงเวทนารู้สดสดรู้ซื่อๆเป็นเวทนาสดสดก็เป็นมาถึงข้อสองสิบประทานข้อสองก็คือเวทนาลุปัสนาสิประฐานเวทนาสําคัญยังไงเวทนาปัจจญาตัณหาเวท่าเป็นเหตุของตัณหาต่อไปเลยในปฏิเสธบาป เพรเราติดติดไอ้เวทนานี่แหละความสบายไม่สบายกายหรือไม่สบายสบายกายหรือไม่สบายกายความสุขความทุกข์หรือกลางๆลห้าอย่างโสมนัตโทมนัตเนี่ยก็ห้าอย่างในลักษณะของเวทนาทั้งกายและใจะส่วนให ญ, ญ่จะเน้นไปทางใจมากกว่าที่เราไปติดก็เลยทําให้เกิดเกิดอ่าเราไปยึดมั่นในถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ เกิดตัณหาตามมาเกิโดโลกรโลดโลภกรดลงนะสิ่งพวกนี้มันก็ทำให้เกิดความคิดก็ย้อนกลับมาถึงว่าคนเราทุกข์เพราะความคิดก็พวกสิ่งพวกนี้ที่เราไปยึดในในเวทนาในตัณหาต่างๆนะที่หลวงปู่ดูลก็บอกว่ า, าพูดเหมือนหลวงพ่อเทียนคนเราทุกข์เพราะความคิดหลวงปู่ดูลจะเน้นว่าคนสมัยนี้ทุกข์เพราะความคิดอย่งต่อด้ว่า คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดให้ได้จึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปในความคิดแต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงจะรู้คือให้เห็นเหมือนเหมือนคนคนละวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งแข่งขันเนี่ยจะวิ่งไปข้างหน้าวิ่งเร็วแต่ถ้าไม่มีเฮอร์โดก็เหมือนไม่มีไม่ได้สะดุดอะไรพอพอมีเฮอร์โดก็เหมือนความคิดแต่ละอันเคือ ว, วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง มันก็เป็นความคิดแต่ละตัวอย่างเหมือนเราเรากุ้มใจเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะพุดออกมาละโผล่มาเป็นความคิดตัวหนึ่งกําลังทํางานอยู่ดีอ้าวคิดถึงอ้าวลูกต้าไม่สบายหรือว่าพ่อแม่เราไม่สบายเราก็คิดขึ้นมาละอ่าเนี่ยความคิดมันพุดขึ้นมาเป็นขนาดที่เรากําลังทํางานเนี่ยทําให้เราจิตใจเนี่ยมันก็พุดความคิดวันจริงๆว่าวันหนึ่งเข้าไปอยู่ในโลกเป็นร้อยร้อยพันพันหนน คือความคิดแต่ละดวงเข้าไแต่ละครั้งที่มันโผล่ปปมาพลุบพลอมะจริงๆแล้วก็มีวิวธีจิตสิบเจ็ดขั้นวิธีแห่งความคิดนี่แหละก็มีมีรายละเอียดออกไปไปหาอ่านได้พูดถึงเวทนาใ น, นจิตแล้ว จ, จิตนี่แหละคือตัวความคิดนี่แหละแล้วลจิตก็ยังมีดูว่าจิตเนี่ยเป็นยังไงจิตเราอยู่ในความโลภความโกรธความหลง หรือปราศจากความโลภความโกรธความหลงจิตเราตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นจิตเราฟุ้งซ่านหรือว่าหดหู่เป็นคู่คู่ไปตรงพัรธนาไว้แปดคู่จิตเป็นใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่จิตมียิ่งกว่าหรือไม่ยิ่งกว่าจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นอะไรีไเป็นตน้นแปดคู่คือเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นลักษณะของจิตที่มันสายแสบไปด้านบวกด้านลบนะครับสุดท้ายเรากลับมาตรงกลาง ปัจฉิมาปฏิปทาก็คือให้เห็นจิตพวกนี้ให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นอะไรจังทุกขังนะะแล้วก็ธรรมนี้ท่านก็พูดพูดไปถึงว่ามีมีห้าประเภทเช่นทั้งโบทั้งทั้งลบก่อนแล้วก็ทั้งบท์เช่นนิวรห้าเป็นต้นเช่นการมาชันนะะพยาบามมีวิจิกิจฉาความบางเลสงสัย แล้วก็มีความง่วงเหาเอนอ น, นั่นเองแล้วก็มีกุฏจักกุฏจะความฟุ้งซ่านลําขันใจก็ถึงในความง่วงเหงาเอนอนะฮะก็สิ่งพวกนี้เป็นเป็นนิวรณ์ที่ทำให้จิตเราไม่สามารถรวมตัวเป็นสมาธิอันนี้เป็นด้านลบแล้วก็มีกลางๆเช่นนั่นจะพูดถึงอรยธรรมหกอรยธรรมหกแล้วก็ขันห้านะฮะเช่น ตาหูจมูกลินกายใจก็เป็นอญญายะนะหกสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ธรรมอารมณ์คือตัวความคิดนี่แหละแล้วก็ถัดไปก็จะมีพวกขันห้าที่เมื่อกี้พูดแล้วคือรูปเปทนธนาสัญญาสังการวิญญาณที่เราไปยึดว่าเป็นตัวตนนิดนึงทำให้ทุกข์นะครับก็ต้องรู้จักปล่อยวาง ไ, ไม่ยึดมั่น ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นที่มั น, มนไม่พึงยึดมั่นถือมันที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะเทระทำไม่ท่านหลุดพ้นได้เช่นเดียวกับที่หลวงพ่อพุธทธทาเอามาสอนนะฮะเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งทำทั้งปวงไม่ควรไม่พึงยึดมั่นที่มั น, มนทำทั้งปวงไม่พึงยึดมั่นนี่สอนไว้แค่นั้นแล้วมันก็ย้ายความกันต่ อ, อเสร็จแล้วก็จะพูดถึงเรื่องอโพชงเจ็ด เช่นว่ามิติสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อุญยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงแล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์จบแล้วมาลงลงที่สมาธิกับอุเบกขาคือจิตต้องมีกําลังแล้วก็อยู่ในความเป็นกลางอุเบกขา คือท um ั um ้งหมดมัชฌิมาในมัชฌิมาปฏิปทาก็คือคือไม่ซ้ายไม่ขวาอยู่ตรงกลางคือไม่ใช่ว่ากามาสุขขาลุกานโยคนะที่พระพุทธองค์บอกว่าทรงทรงอยู่ในการมาสุขัาลุกานโยกนีั้งยี่สิบห้าปีเป็นเป็นเจ้าชายประสาทสามองค์อาสามฤดูแล้วต่อมาก็ยังติดอยู่ในฌานนะฌานที่ ถึงชาญแปดนียอรูปรชาญ น, นก็เป็นความสุขสูงสุสดละก็เป็นการเสียเวลาเปล่าหรือว่าการทรมานกาย steal. ก็เป็นพระพุทธองค์ก็เกือบจะสิ้นพระชนในในพระสูตรพูดถึงว่าเหลือชั้นข้าวชั้นข้าววัน ล, ละเม็ดเดียวนี่แต่น้ำสุดท้ายก็คลายว่าสลบไปนะ ก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ทางก็ได้ได้ฟังผินสามสายก็เลยกลับมาเดินทางสายกลางจนคนวิคนพบ อ, อริยศัตว์สี่ก็เป็นเป็นข้อสุดท้ายในธรรมานุปัสสนะทุกสมุทยัยนิโรธมากที่ประชาได้ฟังแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นกายเวทนาจิตธรรม อ, อันนี้มันมีประโยชน์อะไร ในการปฏิบัติธรรมทั้งสี่อันเนี่ยก็จะมีมีบทบรรยายว่าประโยชน์ของมันในตอนได้ท้ายของแต่ละอันนะฝระังเขาเก็นไว้ชัดเจนว่าเป็นอินไซต์เป็นวิปัสนาวิปาาัสนาญาตรงนั้นเราจะเกิดขึ้นเช่นว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็จะรู้รู้กายภายนอกเช่นคุณกำลังโบกมือกำลังสร้างจังหวะเป็นการรู้กายภายนอกกายภายในมันก็รู้เช่นคุณนั่งอยู่เนี่ย ภาษาแพทย์ก็เรียกว่า proprioceptive sense เรารู้ว่าเราไม่ล้มไม่อยู่ซ้ายขวาด้วยเราไม่หงอกไปข้างหน้าข้างหลังเรารู้ว่านั่งแล้วเราอยู่ในความสมดุลก็เป็นการรู้ภายในไม่ต้องมีใครบอกมันรู้ด้วยจิตรู้ด้วยสมองภายนอกนี่เราก็รู้การเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเรารู้ทั้งกายทั้งภายนอกและภายนในอในตำราจะไปพูดถึงว่ารู้ภายนอกไปรู้คนแต่ผมว่าจริงๆแล้วเรารู้ตัวเรานี่ยแหละ รู้ภายนอกเช่นการเคลื่อนไหวภายนอกรู้ภายในเช่นการนั่งหรือเวลาเดินเวลายืนสร้างจังหวะเหมือนกันเราสร้างจังหวะก็รู้ภายนอกภายในเรารู้ว่าเรากำลังยืนอยู่อยู่ในความสมดุลไม่ล้มไม่เวลาเดินก็รู้ว่าเราก้าวไปข้างหน้าด้วยความสมดุลไม่ไม่หกล้มนะฮะอ่อันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆว่ า, ารู้ทั้งกายภายในภายนอกเห็นความเปลี่ยนแปลงของ ที่เกิดขึ้นที่กายเกิดความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่กายหรือว่าก่นเกิดขึ้นและดับไปที่กายนะฮะเช่นในเวทนาจะชัดเช่นความปวดเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปหรือว่าเกิดขึ้นและหายไปเห็นทั้งทั้งสองอย่างนันก็เลยในกายเวทนาจิตธรรมก็จะพูดตำหนงนี้คือเป็นเป็นให้เห็นวิปสัสสนาญาณใ น, ใ น, ใ, นในจุดพวกนี้ แล้วก็จะจะให้เห็นว่ากายมีอยู่เพื่อให้เพื่อความรู้แล ะ, และเราลึกถึงคือเราใช้ประโยชน์ในกาย เ, ยเป็นเครื่องมือให้เราสามารถรับรู้ได้เวทนาเช่นกันเช่นความไม่สบายร้อนไปหนาวไปเราก็รู้สึกหรือกลางๆ ก, ก็รู้สึกหรือว่ากําลังสุขหรือกําลังทุกข์ก็รู้สึกนะฮะหรือว่าจิตก็เหมือนกันจิตมันมุ่งไปทางอ่ โรคกวดหลงหรือปรัชจากความโรคกวดหลงก็รู้พวกนี้นะให้เป็นเป็นเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เกิดความรู้แล้วระลึกถึงมันก็จะเห็นสิ่งพวกนี้เมื่อนั้นน่ะเมื่อเมื่อรู้จริงๆแล้วมันก็สามารถจะอธิบายต่อไปว่าเราก็จะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจจเห็นว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเราเขาในความสุขหรือความทุกข์ มันจะบอกว่านี่เป็นความสุขของคุณก็มขขณมขขณไม่สามารถจิตไว้ได้แต่มันก็เปลี่ยนไปแล้วทุกของคุณนี่คุณไม่อยากรับเลยอยากจะถีบมันออกไปไกลๆด้วยซ้ํำไปไม่ใช่ของฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพวกนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งได้เห็นสุขทุกข์แล้วก็ในเวทนาในจิตนี้ก็จริงชัดเจนมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลกดวดเร็วมากจิตเรานี่จริงๆแล้ว ในฝรั่งเนียเขาว่ามันมีโซลคือปมีวิญญาตวิญญาณของพุทธนี่ไม่เหมือนกันของของของเรานี่ยเบอกว่ามันไม่มีวิญญาตโซลส์ฟังแล้วก็น่ากลัว <c oughs> หรือถ้าบอกเซลฟเลสเออเข้าใจอ <c oughs> ไม่มีตัวตน <c oughs> แต่วบอกว่าวิญญาณไม่มีเอ แ, แล้วจิตที่ตายแล้วล่องรอยอันนั้นไม่ใช่พุทธนะนะ <c oughs> คือกรรมพาไปเกิดแต่ยังมีอัตตาเมื่ อ, อไหร่ยังมีอัตตาเมื่อนั้นจะยังไปเกิดนะคือกฎแห่งกรรมยังมี กนะารไปเกิดเวียนไปแต่เกิดยังมีเพราะว่าเมื่อไร ย, ยังมีความเป็นอัตตามันก็จะพาไปเกิดเหมือนหลวงปู่ดูลดจะพูดถึงว่ามันเป็นรูปปรามโมรูกลมเป็นบนกระป๋ะเป็นสเฟียร์รูมันบนติวรอบตัวมันเองนะแล้วก็ห่อหุ้มกลมเอาไว้กนละมนี่มันก็เกิดจากตัณหาเนี่แหละที่มันจะมีองค์ประกอบสามสามอย่างคือคันทับโพที่พาไปเกิดก็คนะือ ปฏิสนธิวิญญาณคือตัววิญญาณเนี่ยแล้วก็ตันหาแล้วก็กรรมหาไปเกิดจริงๆแล้วมันทั้งหมดก็คือตัวตานี่แหละที่มันหมุนรอบเป็นกระป๋อเอาไว้จงกระทั่งเราเราสามารถเห็นหน้าตาโดยแท้จริงเนี่ยมันจะแตกสลายแล้วก็สูญหายไปก็จบกันตรงนั้นคือคืนทั้งความดีความชั่วคืนไปให้จักรวาลหมดคือพื้นฐานของจักรวาลนิพพานนี่ก็เทียบได้กับว่าพื้นฐานของจักรวาล ที่ทําให้จักรวาลเนี่ยสามารถขยายตัวออกไปได้เรื่อยๆอยังไม่มีที่สิ้นสุดนะยังขยายไปเรื่อยๆ 13.6 พันล้านปีแล้วมันขยายไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะมันก็เป็นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าอว่าเราเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในในกายและใจ อ, ะอันนี้เมื่อเมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะปราศจากตันหาและทิฏฐิ เมื่อนั้นถิงฐเฉยจะปราศจากตัณหาและทิฏฐิตัณหาก็อย่างเข้าใจทิฏฐินี้ก็คือไอเดียเช่นความความคิดที่มันเข้าข้างตัวเองมีไบเอก็มี mm hmm. มอคติอคติสี่เช่นอคติในโลภโกรดหลงแล้วอคติในความกลัวพวกนี้ก็เป็นอคติคือมันทั้งหมดสรุปแล้วก็คือคือมีไบเอชคือตัวเรามีมีอัตตาตัวตวนซ่อนอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะ ก็เป็นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งในในสิ่งพวกเนี้ยและเมื่อ น, นั้นเราก็จะไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆในโลกไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญารูปกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็จะไม่ยึดมันไม่ยึดแม้แต่สิ่งใดๆในโลกอหรือถ้าเห็นตลอดเนี่ยจิตมันจะเกิดความเบื่อหน่ายกายกำหนัดและหลุดพ้นไม่มีการปล่อยวางมันหลุดของมันเอง ทุกสูตรไปอ่านได้ถ้าเลยจะไม่มีคําว่าปล่อยวางเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็หลุดพ้นทำไมไม่มีปล่อยวางที่ไหนๆก็สอนปล่อยวางจิตมันวางของมันเองสอนมันไม่ได้มันจะหลุดมันก็หลุดของมันเองเขามันเบื่อน่ายมันมันจับที่ไรมันทุกทุกพี่มันก็ทักเซงงเบื่อหนายคลายกําหนัดแล้วก็หลุดพ้นของมันเองฮอันนี้ก็เป็นหลักที่ว่านี่เป็นวิธีทําให้รู้กายในกาย หรือกายที่กายกายในกายเป็นคนเอ้ยไม่เข้าใจกายกายในกายเป็นยังไงมันมีกายเล็กๆอยู่ในกายใหญ่นี่ก็กายเป็นสร้างอัตตาขึ้นมาซ้ํำสองที่จริงไม่ใช่เห็นไหมรู้กายที่กายมันมีตั้งหลายระบบระบบลมหายใจที่เมื่อกี้บอกระบบการเคลื่อนไหวรู้กายที่กายที่สดๆนี่แหละกายที่กะหรือเวทนาที่เวทนาเช่นกําลังสุขสุขก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเวทนานีดกว่าว่า feeling นะ ไม่ได้แว่าอ้นี่น่าสมเพศไม่ใช่อันนั้นภาษาไทยนี่เพี้ยนจาก ต, ต้นคำเดิมของเขาจากภาษาบาลนะีจิตก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือพวกวิญญาณที่ไปรับรู้ทงางอายตนะทั้งหกตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจก็เกิดวิญญาณเกิดขึ้นคือคือภาษาอย่างเดียวเช่อนอายตนะภายนอกกับภายในนะยังไม่พอนะอย่างอย่างคุณเห็น รู้สึกลมมากระทบะที่ตัวเมื่อกี้พัดลมเป่านะไม่พอนะยังยังรับรู้ไม่ได้มันต้องผ่านวิญญาณด้วยกายะวิญญาณตัวที่สามราั้งองอกหกัยัตนะรวมแล้วก็เป็นสิบแปดท่าสิบแปดเป็นเวปปัปสนาภูมินหนึ่งท่าสิบแปดก็จะเห็นว่ามันต้องมีสามส่วนมังจะครบ นัินวิญญาณก็เกิดดับชั่วขณะแล้วก็จบไปเช่นวันคุณกําลังกุ้มใจเรื่องอะไรเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาความคิดนั่นชาติหนึ่งไปแล้ววิญญาณมันก็ดับไปแล้วพอเรารู้โอ้มันแค่ความคิดเราเลยกลับมาที่ทํางานกลับมาเรื่องที่เรากําลังทํา ก, กําลังคิดอยู่อ่า mm hmm. ก็จบไปเวลาทํางานเราก็จะไม่ไปไปคิดบล็อกแวกถ้ามันคิดบล็อกแวกก็เข้าไปอยู่พบมือแล้วี่ถ้าถ้าแบบปฏิบัติเนี่ย ในสุประทานสิก็จะเริ่มจับความคิดได้ที่บอกทำไหนถึงจะออกจากความคิดได้อ อ, ออกจากทุกได้ก็เริ่มจับที่ว่าเราทุกเพราะความคิดเราก็มีวิธีช่นสร้างจังหวะนี่ก็สามารถให้เกิดความรู้สึกตัวาสามารถไปจับความคิดพวกนี้ได้คือปุถุชนผู้ไม่ไม่ได้สดับก็จะไม่มีจิตภาวนาพระทองคตรัสไว้อย่างนั้นคนธรรมดเขารู้ว่าทุก แต่เขาไม่รู้ทางออกเพราะเขาไม่รู้ว่าทำยังไงจึงไม่มีจิตภาวนาแต่ว่าพาริยเจ้าเนี่ยคือท่านได้ได้สดับแล้วท่านเอาไปปฏิปฏปฏบัติแล้วมีจิตภาวนาแล้วได้เห็นผลแล้วถึงหลุดออกมาจากสิ่งพวกนี้ได้อย่างธรรมก็เมื่อกี้ที่ธรรมมี 5, 5หมวดเนี่ย ท, ท, ท, ทั้งทั้ง t i v e ติมาถึงนิวทรัลทั้งทั้งธรรมนี่ไม่มี positive กับ negative แต่และอารมณ์นี่มันมันก็มากระตุ้นจิตได้ทั้งนั้นนะฮะคือทั้งทั้งโบกทั้งลบมันก็เป็นเป็นตัวกระตุ้นจิตเป็นธรรมอารมณ์ตัวหนึง่งถึงสิ่งดีสิ่งไม่ดีเราก็ดูให้เป็นอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับคือทางธรรมนี่ไม่ไม่เหมือนทางโลกแต่ว่าก็ทางโลกก็ต้องอาศัยสิ่งพวกเนี้ยทางไหนเป็นถึงมีศีลธรรมขึ้นมาเพราะมันถ้าไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยสังคมก็จะวุ่นวายเพราะใน ไปทุบตีเข้ามาก็ไม่ผิดใช่ไหมหลวงพ่อพุทธาจะพูดว่าชั่วและดีอปรีพอกันคือทางธรรมนี่มัน ม, น ม, า, ม, า, มายโยยุจิตเราพอๆพอพอกันทางดีมีก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาไปทำงานที่สหรัฐเป็นอาจารย์ที่สี่ลาแล้วเขาไปค้นพบไปทำงานกับเพื่อนผมค้นพบสิ่งสำคัญเลยพอใจขอเขาฟงมากเลยเขาดีใจามากนะ นอนไม่หลับเป็นทุกข์มากเลยอ้าวทำไมสุขแล้วทําไมทุกข์ไปเรอแล้วโทรมาหาบอกจะทําไงดีบอกหนูตื่นเต้นมากเลมันดีใจแล้วเกินเลยว่ามันทําให้ยิ่งทุกข์ก็ไปอีกนอนไม่หลับทําอะไรไม่ได้เลยมัน p a r a l y z e ไปเลยเพโอ้มันกระตุ้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนั้นเขก็เลยสอนให้เราดูจิตเราก็เข้าใจอันนี้ก็สงบทันทีที่รู้ว่ามันเป็นยังไงมาอย่างเงย ก็ทําทให้สงบได้เพราะั้นพวกเราเห็นจิตถึงความคิดถ้าไม่ฝึกก็ไม่เห็นถ้าฝึกแล้วมันเห็นได้ความคิดเนี้ยก็มีฝรั่งสกอเร่อะโบสกอเร่อะไรบอกคุณไม่มีทางเห็นความคิดบอกเอ้ยนี่มันพูดผิดชัดๆเลยนี่ที่เราเรามาฝึกเพื่อจะให้จับความคิดให้เห็นความคิดทันไม่เป็นธาตุของความคิดเราทุกข์เพราะความคิดเนี่ยเราถ้าเราจับทันมันก็หลุดออกมาจากความคิดมันก็ไม่ต้องทุกข์พวกเนี้ยเราเติบขึ้นมาเนี้ย จิตมันยังบางสบายเนี่ยพระพัฒสอนมากเลยทันทีที่เราคิดพับเนี่ยวันนี้ต้องไปส่งลูกหรือวันนี้เขาจะมีสอบหรือว่าจะมีตรวจงานตายแล้วแล้ววันนี้จะมีเขาแจกปริญญากันไปไม่ได้นะรถติดแน่แน่ดูไปไม่ทันแล้วตื่นสายด้วยโอนี่ทุกขึ้นมาทันทีเลยทันทียังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะแต่ว่าตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยสดชื่นจิตมันเป็นกลางเป็นพระพัฒสอนอยู่ในตัวมันแล้ว ยังไม่บริสุทธิ์เพราะยังไม่หลุดพนน้นนะคือเข า, ค, เขาคือเขาไม่เห็นรอบกอห ล, ลงที่มาเกาะทันทีคือถ้าเราปฏิบัติแล้วจะเขาะ้าใจโอ้เมื่อกี้มันความคิดมันผุดเข้ามานะมันก็รู้จักปล่อยวางเราก็รีบแต่งตัวให้เสร็จนะรีบอาบน้ำเร็ ว, รวแล้วก็รีบไปก็ยังทันนะเราต้องย่นย่อ น, นิดหน่อยนะต้องดูจกักพลิกแพลงนะนะรับรเหตุการณ์ให้ทันเพราะนัสนตะิปทานสี่นี้จึงเป็น เป็นจุดยืนในการคือถ้าเขาจะสอนไปสํานักต่างๆก็จะสอนต่างๆอ่ะคือถ้าดูแล้วเนี่ยมันเพี้ยนไปยากสีประษาสีแต่ว่ามันผิดทางแล้วอย่างของวิธีอรอบพระเทียนท่านยังหวเนี่ยคนก็จะวิจารณ์ว่าเฮ้ยไม่เห็นมีในพระสูตรเลยเอาจากไหนมาพระเทีนท่านตอบง่ายมก็ขเขาไม่ได้จดไว้มันก็ไม่มีสิ <c oughs> คือบางอย่างมันเป็นของโบราณเนี่ยถ้านํามาเดิมเป็นวิธีติ่งนิ่ง แต่ว่าผมก็เคยไปถ่ายวิดีโอของหลวง ป, ปู่มหาศีจันทร์มาทาช้ามากช้ายกแต่ล้างบาตรก็ช้าจนมันจนมันฝืนธรรมาชาติผมพ่กคำเขียงเคยไปกราบไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเคยไปสอนธรรมะที่วัดจีนที่นิวยอร์กประเทศอเมริกาแล้วก็มีคนพาไปพบอ า, อาจารย์พวกพมา่าท่านบอกว่าท่านก็ไป รอที่ห้องรับแขกแล้วพระพมาก็ออกมาใช้เวลาเดินจากห้องมาถึงโซฟาประมาณสิบนาทีก็ค่อยยองยองนี่ก็ให้วิจารไ้ชีวิตทำไมจะต้องช้าอย่างนั้นนาะเข้าใจมันมันมันผิดธรรมชาติอะไปหนอหนอมันก็พลาดไปแล้วแต่จริงจริ ง, รงของจิตของเดิมเขาไม่มีหนอนะคนไทยมาเติมเอง ยุบก็ยุบพองก็จบนะไม่มีหนอนหน อ, ห น, อ, อนนี่ก็ความคิดเพิ่มไปแล้วนะะชีวิตมันก็เดินเพราะฉะนั้นเราอย่างตัวอย่างอันนี้หลวงพ่อคยสัง เ, เกตเคยพูดไว้ในในเทปคนบางคนขับรถเร็วแต่ไม่มียนไม่มีอุบัติเหตุบางคนขับรถช้าแต่มีอุบัติเหตุเพราะมันคนหนึ่งมีสติดีอะ่ะเขาสามารถขับเร็วได้แต่เขาไม่มีอรัติเข้าใจไหฮะแต่ไม่ใช่ว่าบอกให้ไปขับเกิน เกินความเร็วที่ก็กํา <c oughs> หนดคือว่าเราต้องระวังอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลาแล้วนะสิ่งพวกนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ผลปละโยได้ถ้าคุณมีความรู้สึกตัวสิ่งพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไม่ต้องไปขอร้องเลยมันเกิดขึ้นมาเองแล้วจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติของมันเองนะฮะไอ้สิ่งพวกนี้ความรู้สึกตัวแล้วทั้งหมดเนี่ยจะวนเวียนในเรื่องความคิดทั้งหมดเลย คือถ้าเราเห็นความคิดได้ทุกอย่างมันก็ง่ายแล้วชีวิตมันก็จะไม่เป็นตกเป็นทางความคิดไม่ต้องทุกข์เพราะความคิดติดต่อไปก็เป็นหลักกว้างๆของมหาสิปสานสี่นะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งในมหาสิปสานสี่ซึ่งไม่ค่อยได้ยกมาพูดกันคือนอกเหนือไปจากกายเวนาริตธรรมเ น, นตอนท้ายของพระสูตรเนี่ยจะมีเป็นเป็นหัวข้อต่อเนื่องกันพูดถึงรายละเอียดของว่า คือก็กึ่งๆคล้ายๆปฏิเสบุบบาบาทก็จะพูดว่าอยายตนะหกทางานยังไงคืตาหกจมูกกลิ่นกายใจเนี่ยกระทบอายตนะอยภายในเนี่ยมากระทบอายตนะภายนอกเช่นรูปเสียงกยลิ่นรสผลทพะธรมมารมณ์นะครับแล้วก็เกิดพัสสะเกิดพัสสะเกิดเวทนาเกิดสัญญารับรู้ด้วยจิตเนี่ยสัญญาเกิดสัญญาเจตนาต่อมา สัญญาเจตนาหมายว่าไงสัญญาคือเข้าใจฮะ perception ความหมายรู้จําได้ perception รู้รู้เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ว่าความจำในอดีตคือรู้จักมาก่อนหลวงพ่ะเทียนจะสอรู้จักรู้จํารู้แจ้งรู้จริงมีสี่รู้นะรู้จักก่อนดก็แบบเคยเคยซื้อน้ํายี่ห้อนี้นะเป็นน้ํายี่ห้อนี้ทําจากอะไรไหมเจอข้างต่อไปก็รู้น้ําน้ําขวดนึงอย่างคนที่เขาไม่เคยเห็นน้ําขวดเขาก็ มันก็อาจจะนี้ก <Yes> ็เป็นน so right ้ำหลมหรือเป็นน้ำอย่างอื่นสมัยนี้ก็นิยมน้ำน้ำขวดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้รู้รู้รู้จักรู้รู้จำรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอะไรเงี้ยรู้เป็นขั้นตอนรู้แจ้งรู้จริงหมายว่ารู้ความคิดรู้ทันความคิดรู้จิตใจของเราเองะรู้จริงก็หลุดพ้นออกมาจากสิ่งมุกนี้ยนก็มีสี่สี่รู้รู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอะไรเงี้ยก็ อันนี้ก็มีสัญญาสัญญาว่ารู้จักก็คือนี่น้ําขวดต่อมานี้สัญญาเจตนาโอ้ยนี่ของชั้นยี่ห้อนี้แพงเลยละ่ะบางกวดนี่เป็ น, เ ป, นเป็นหลายเหรียญ น, นะฮะแล้วแต่ยี่ห้อเขาจะมีอัตราข้นมาแล้วสัญญาเจตนาสัญญาสัญญาก็คือสัญญาความหมายรูจจร้จักเจตนาก็มันมีมีความคิดสอดใส่เข้าไปแล้วคือมีอัตราซ่อนเข้าไป คือ bias perception และไม่ใช่ pure perception อย่างหนึ่งลวงพ่อที่หลวงพ่อคำเกียรติจะสอนว่ารู้ซื่อๆก็ pure perception คือสัญญารู้ซื่อๆนะแล้วก็ตอไปก็เป็นสัญญาเจตนาคือรู้โดยมี bias มีนักเรียนแพทย์ไปถามนี่สมัยยี่สิบปีแต่นี่เป็นแพทย์ใหญ่แล้วมั้งผมก็ไม่รู้กว่านั้นคือใครไปถามหลวงพ่อครับชีวิตคืออะไรก็ถามดีนะหลวงพ่อบอก ชีวิตจะเป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสเองต้องรู้เองนี่กว่าหลวงพ่อยังไม่ตอบแล้วท่านตอบดีมากเลยบอกหลวงพ่อไม่ได้มีหลวงพ่อไม่ได้เป็นหลวงพ่อได้แต่ดูมันเข้าใจไหมที่ที่เป็นต้นของคําว่าไม่ไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรคือท่านไม่มีอัตตาได้แต่ดู observe โดยไม่มี observer ว่าตาไม่มีอยู่แล้ว แค่ออพเซอรเป็นพูดเป็นเป็นการดูโดยไม่มีผู้ดูไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรคือไม่ไปเป็นต่อเรื่องให้เป็นสัญญาเจตนาคือถ้าเป็นสัญญาจตนามันก็เป็นเรื่องราวไปแล้วถ้าต่อไปเกิดอะไรเกิดตัณหาตัณหาตามมาคือความอยากได้แหละคือความอยากได้โลภโกรธหลงตามมามีการมตัณหาเพระวตัณหาพิพัฒนาเป็นเป็น อริยสั์ข้อสองแล้วแล้วต่อไปก็จะเกิดอะไรไมาวิตกวิจาร์ตรึกกระตรองแต่แ้บจะทำไมมันสำคัญอย่างนี้นึกตรึกก็พูดง่ายเบว่ามันเป็น disturb ์บิ้งซอร์สเดี๋ยวความคิดก็พุดขเข้ามาแล้วแมกระเป๋าลกนั้นมันสวยเลยรองเท้าคึ้นั้นมันสวยจังเลยกำลังทำงานก็พุ๊บนะล่อเยี่ยงนี้ต้องไปเลิกงานก่อนฮะ วิจารเนี้มันตามกลับมาบ้านเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งที่มีอยู่ตั้งส0บคู่แล้วคู่ที่สิบ็ดไม่ได้ตการเลยทำให้ขัดสนไปต้องไปตัวเจดมาจากเงินส่วนอื่นไหมอันนี้เ ป, นเป็นเป็นความคิดที่มันเป็นขั้นต่ออันนี้ก็มีสูตรคล้ายกันธรรมกัตสูตรพูดถึงว่าอายตนาหกทำงานยังไงตาหูตาหูจมูกเล้นกายใจทากับรูปเสียงกลิ่นรสโปรตีนอรมณ เกิดภาษาภาษะเกิดเวทนาเกิดสัญญาเหมือนกันอันนี้ต่อมาแทนที่จะบอกว่าสัญญาท่านบอกว่าเกิดความดำริมีเปล่าขึ้นมาในในสมองความดำริคล้ายๆสังขารนี่แหละความดำริเกิดฉันทะนะดำริ ว, ารวา่ากระเป๋าด้สวยชันทะความชอบนั่นแหละเกิดความเร่าร้อนตามอันนี้มันมันเป็นตันหะเกิดความเร่าร้อน ก็ร้อนมีมีการขนขวายและการได้มาสุดท้ายอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับในสติปัฏฐานสี่เนะนี่ขั้นตอนนั้นจิตพระเจ้าระบาย อ, าอธิบายไว้ละเอียดมากทำไมถึงสำคัญตรงนั้นที่ผมยกขึ้นมาเพราะระหว่างสัญญากับสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นช่องเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้เราสามารถตัดวงจรของความคิดได้ด้วยสติความรู้สึกตัวเข้าใจไฮะ ที่เราทำปฏิบัติใบเพื่อจะตัดตรงเนี้ยคือท่านไม่ให้มันเกิดเป็นความคิดคือจิตมันถ้ามันรู้ทันเนี่ยมันมันมันวางเอามันเองมันพอแล้วมีตั้งหลายใบแล้วไม่ต้องเอาแล้วกระต่ามันมันก็มีเยอะแยะแล้วมังค้าก็มีตั้งหลายคู่แล้วนั่นตัดตรงนั้นอ่ะไม่มีสัญญาเจตนาแล้วสัญญาเออมีก็สวยดีก็จบหยุดตรงนั้นเลยไม่ต้องมีความคิดไม่ต้องเป็นทางความคิดต่อมันก็หลุดลงมาก็สบายจิตก็ปลอดโปร่งประพัดสอนได้ตลอดเวลา ไม่ต้องทุกข์ละตอนนี้ก็อยู่ในโลกไปโดยความเป็นปกตินะทั้งกายใจทั้งเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็ถึงมีการสอนถึงถึง อ, อภิธรรมนะที่ว่าจิตจะจะสิกรูปนิพพานก็คือดูชีวิตนี่แหละจิตกับรูปเข้าใจนะใจตสิ ก, กิดอาการของจิตหรือเวทนาสัญญาทั้งขาบุตุชนก็จะเห็นสามอย่างเนี่ยจิตเจะสิกรูป นิพพานเห็นได้แต่พระอริยเจ้าที่ท่านหลุดพ้นแล้วท่านไปสัมผัสแล้วแต่ความเข้าใจของผมเนี่ยนิพพาก็คือคือพื้นฐานของจักรวาลเดิมผมวงปู่ ด, ดุลย์เนี่ยพูดว่าจิตที่บริสุทธิ์ไปรวมกับความว่างของจักรวาลเดิมเข้าเปหนึ่งเรียกว่านิพพานเข้าเปหนึ่งเรียกว่านิพพานคือก็คือแบ็กกราวน์ของยูนิเวอร์สที่มันทําให้ยูนิเวอร์สเนี่ยขยายออกไปมีจักรวาลขยายตัวได้มันต้องมีอะไรรองรับใช่ไหม ยอมรับสิ่งนั้นไ ม, ไม่ไม่มีการเกิดการดับนั่นเป็น empty space จิตก็ไปรวมชีวิตเรามาจากไหนก็มาจากโลกโลกมาจากไหนก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลก็คืนจักรวาลไหมแต่ว่ามันคืนไปที่พื้นฐานของจักรวาลคือไม่เกิดไม่เกิดอีกต่อไปแล้วพอแล้วคือคือจิตนี้ถ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งก็เป็นพลังงานที่ว่าก็เหมือนพลังงานทั้งหลายที่ว่าไม่ไม่มีใครสามารถ สร้างหรือทำลาย c a ่ not be create or destroy มันคืนสภาพมันแต่เป็นพลังงานที่ต่างไปท่านอาจารย์ระพีทาวิไลท่านบอกว่าจิตไม่ใช่พลังงานนะแต่มันเป็นพลังงานอานี่ที่มีการรู้มีธาตุรู้เนี่ยจิตเป็นพลังงานที่มีธาตุรู้เพรารู้ตัวมันเองก็ได้ที่เราทำได้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เนี่นเราทำไปทําไมมันก็ไม่รู้อยู่ดีทำไปมันรู้ตัวมันเองได้ รู้รู้จิตเองรู้ความคิดเองรู้กายได้รู้ใจได้รู้รู้เวทนารู้ธรรมเพราะว่าจิตตัวนี้ไปเข้าไปรับรู้นะถ้เป็นเป็นถ้าเป็นพลังงานก็เป็นพลังงานที่ที่แปลกคือว่าเป็นธาตรู้อยู่ในนั้นคือรู้ไปทุกอย่างผิดถูกไม่รู้หรอกรู้รู้รู้ไปก่อนแหละแล้วก็ไปสอดรู้สอดเห็นรู้รู้ทุกอย่างก็เป็นธาตุของมันนะแต่เราถ้าปฏิบัติธรรมมันก็เริ่มเริ่มที่จะ สายแสน้อยลงมันก็รู้เท่าที่จำเป็นมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่วุ่นวายเราจะง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นไม่เป็นชาติของความคิดก็คิดว่าจะจบไว้แค่นี้ก่อนมีคำถามก็เรึกษาด้วยพระคุณเจ้าด้วย การความรู้ความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นกำไรของชีวิตคนที่ไม่มีความรู้สึกตัวนะมันก็ชีวิตมันก็เตือนจริงแต่ ว, ว่ามันเบอรนะมันมันขาดสติความรู้สึกตัวมันขาดไปเยอะเลยแหละฮนะได้ครับไม่ทราบว่าจะเริ่มที่ไหน ครับนมนท่านนเองนะครับรู้ตอบได้้ี่รู้ you want to ask something you I'm sorry I have to be in Thai but you can ask any question you have in mind. Ah, uh, you you need wisdom. My no, not not by itself. Ah, uh, he asked, "What sthiti? "How e u c h do you need to e o He s "Not enough. It e e d s s h i a h and wisdom." Have three: mindfulness, mental concentration, and wisdom. Three path, um, you can equate to uh, the three three four training. Sila samadhi p a n y a Sila morality. You need mindfulness to be moral. Samadhi is a steady mind, concentrated mind. So you energize your mind to be power, powerful enough to see the t r u e The true nature of things as they truly are, with wisdom to see that it's impermanence, imperfect, and selfless nature. You can, ต้องมีสีธรรมะที่ปัญญาก็จะสามารถที่จะแหวกให้เห็นในเนี่ยเอ้ตรลักษ์ see the the impermanence, imperfection, not self, or selfless nature. ตรายลักษ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา otherwise you cannot think about anatta. Okay, and even mindfulness is even not enough as, as uh, self-awareness. Self-awareness, sampannaya. Mindfulness is sati. In in s a m p a c n a y a uh uh, a w a r i k t u s you have sati in there, but in sati you may not have, a w a r i k t u s Like the thieves has has sati, m i c h a sati. Because he's h s unaware that he's being indulged in the in the greed and delusion. He he he h a d ego that he can overcome the police uh, or the the security system because he have greed overwhelming his mind, so he won't see the truth. So he's he had the, the dark kind of o p sati. It's a dark dark mindfulness. <laughs> It's like like the black force in the Star w a r the dark force <laughs> so so เพราะนั้นสติไม่พอสติในในสติสตมีมิจฉาสติก็ได้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้สึกตัวก็ว่าไม่เป็นท่าของของของตัณหาความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรก็ออกมาทางด้านผิดสีนธรรม เป็นโจรอจยากลเขาเขาโดนโดนเข้าไปโดยมิจฉาสติเพราะว่าขาดความรู้สึกขาดความรู้สึกตัวก็จะเป็นท่าของโรคคนลง When you have awareness you you free from greed h and t delusion because you unaware you you're a slave of greed h and t delusion become ignorant avicha and uh, I think the three t h e the core. The heart of Buddhism is about morality. No, um, about yeah, to avoid doing bad deed, and then to do good deed, and then purify your mind. What uh, I just said is, one is to avoid doing bad deeds, and two is to do good deeds, and three is to purify your mind. ทั้บาทั้งปวงก็ you, you need uh, mindfulness สติ in all three of them but uh, you have more than that because uh, uh, morality you can simply use mindfulness to guard uh, restraining yourself but mental concentration o t h s as a second one is to do good deed include practicing mind development to develop your mind to be, to be quick and fast uh, and powerful enough To seize all sorts of a uh, good or bad uh, mental phenomena, t h uh, t y t h e n y o t Then you purify your mind with, by seeing with wisdom and in, in seeing the. The three universal marks of existence: impermanence, imperfection, and not-self. The true nature of things as it truly are. Then the mind will let go by itself. This get disenchanted, discern, and liberate. w e n did, it, o d h uh, e m n t t m d I c a r y the u d n I s t h a t it. h a i a s t a t s a t i h t h a t h o t t h a t it. h a t h a t s it. h t i h a s t h a t it. h a t s a t i h a t i h i a t a it. h a t h a t a t h a t t h a i h t h a i s i s a h a t i s t h t t h h a t i s t h t t h h a t i s t h t t h คือจักรวาลนี่เขาเขาพบว่ามันมันขยายตัวไปเรื่อยๆนะฮะจักรวาลนี้จักรวาลนี้เกิดมา ส, สิบสามจุดหกล้านเอาทางวิทยาศาสตร์ก่อนสิบสามจุดหกล้านปีแล้วจจากบิก Big Bang นะ๊กแบงน่ะที่บอกท่านเคยได้ยินนะนี่มันจุดประทุครั้งแรงระเบิดครั้งยิ่งใหญ่แล้วมันก็ขยายออไปแล้วก็มันมีมีตัวที่ดึง ให้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเช่นนอกจากแรงดึงดูง ด, ดของความถ่วงแนวน้มถ่วงของโลกแล้วมันยังมีเรียกดาร์คแมตเตอร์ที่ที่มันดึงไงให้ระบบสุริยะนี่ยอยู่ด้วยกันของเราของเราเนะฮะที่มีนโปกระกร น, นี้เหลือแปดวงแนละ้วเขาไม่นับพูโตเมื่อก่อนมีเก้าดวงเาบอกไอ้พูโตเนี่ยมันคล้ายๆเป็นดาวหางที่หลุดเข้ามาเข้าในวงจรมันเล็กเกินไปก็ แล้วก็มีดาร์คเอเนจีเป็นพลังมืดดาร์คแมตเตอร์กับดาร์คเอเนจีเขาอย่างคนพบยั ง, ยงคนคนไม่พบแต่รู้ว่ามันมีเพราะการคำนวณมันบอกว่ามันมีสิ่งพวกนี้ดาร์คดาร์คเอเนจีเป็นตัวที่มันผลักให้มันให้มันขยายตัวออกไปเลยเพราะจักรบาลเขาพบแล้วมันยังเคลื่อนไหวอยูอ่อย่างตัวเราเนี่ยหมุนด้วยความเร็วโลกเราเนี่ยเคลื่อนไหวหนึ่งจุด สามล้านไม่ต่อชั่วโมงนะไม่น่าเชื่อเพราะเรางอยู่นี่มันจะไปรู้สึกเลยนะอย่างหมุนรอบรอบเส้นสูนงสุดประมาณหมื่นไม่ต่อชั่วโมงนะที่หมุนรอบตัวมันเองแล้วก็รอบดวงอาทิตย์เนี่ย่าประมาณห้าแสนไม่ต่อชั่วโมงถ น, น, น้องนะแล้วก็ดวงอาทิตย์ยังบุนรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ย อันนั้ น, น, น, นประมาณห้าแสนใหม่แล้วก็จังหมุนหมุนเข้าไปหาซ no, ูเปอร์คลัสเตอร์คือทางช้างเผือกเราเป็นส่วนหนึ่งของของอจักรวาลทั้งหมดมีทางช้างเผือกเยอะมากเป็นเป็นพันพันล้านนะฮหลื่อเชื่อเลยแล้วโลกเรานี่คี่ประิวมากเพราะฉะนั้นกอ็อันนั้นมันเข้าไปอันนั้นหนึ่งจุดสมล้านใหม่ต่อชั่วโมงสรุปแล้วประมาณ ประมาณ350ไมล์ต่อวินาทีเราเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานาทีนี้เราไปถึงกรุงเทพเชีงยงใหม่แล้วปีนาทีเดียวนะฮะแต่เราไม่รู้สึกเพราะโลกมันใหญ่ให้่แต่ถ้าเทียบจา ก, กววางเล็กมากอันนี้ย้อนกลับมาอันนี้แต่ว่าทำไมจกกักรวาลขยายตัวได้เพราะมันมีพื้นฐานรองรับที่เรียกว่าเป็น background universe หรือษิสนามโลจิเรียกว่ามีกาว substance กาว substance เป็น คือหลวงปูดุลจะพูดว่าเป็นความว่างของจักรวาลเดิมคือเป็นพื้นให้จักรวาลมันขยายตัวไปคือถ้าจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะไปรวมกับความว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่า น, นิพพานหลวงปูดุลจะสรุปตรงนี้คือจุดนั้นเนี่ยไม่มีไอ้สิ่งที่พรธเจ้าทำมาความดีทั้งหมดก็ก็เลย ก, ก็สูญสลายไปด้วยความชั่วทั้งหมดก็ลบล้างกันไปนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความชั่ออย่างเดียวที่หายไปนะ ความดีทั้งหมดที่โอ้โหต้องทำมาตั้งส 4, 4, 4, ีง่สี่ประสงค์ขแสนมหากัปอะไรกันกันนะฮะสี่สิบหรือสี่สิบใช่ไหมฮะมีสี่สิบแปดสิบร้อยยี่สิบอะไรนีแล้วแต่ว่าศรัทธาหรือปัญญาของพุทธเจ้าีนปัญญาก็จะทำให้ศูนย์ไปไปหมดด้วยเพราะว่าถึงจุดพีคแล้วก็เวลาธาตุธาตุขันดับก็คืนไปสู่จากรว่างบ้า ง, งจักรวาลเดิม เพราะนั้นก็ที่บอกว่าถ้าจิตเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง โ, โดยกฎของพลังงานคือว่าไม่มีการไม่มีการเสื่อมสลายไม่มีการสร้างขึ้นมาได้มันเกิดขอม้มมนอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีการสูญสลาย energy cannot be created or destroyed so my if it's some form of energy it's energy with the power to know itself to know it's the power to know นะจิตเป็นเป็นพลังงานที่รู้มีธาตุรู้อยู่ในนั้นและทั้งรู้ตัวมันเองนะถ้ารู้ตัวมันเองไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่มาปฏิบัติธรรมรู้ตัวเองได้ก็เกิดสติความรู้สึกตัวทำให้เห็นเห็นสิ่งต่างๆว่าแปรปรวนเปมารวมทั้งตัวเราเองด้วยเกิดเห็น น, ะนั้นในจังทุกขังนัจตาก็สามารถจะหลุดออกไปสู่นิพพานได้ไปปล่อยวางเล็ดโก Disenchanted, d i s s o n a n let go, non-attached. Ah, e w a t him. Ah, uh, m, mm -hmm. m, mm e, r, e, n, a, a, t, o, -hmm. r, p, o, m, mm l, i, k, a, t, h, -hmm. m, mm e, r, i, c, a, n, i, s, a, h, p, o, m, d, a, m, n, e, a, ไม่ ม, มีมีพิมพ์อยู่บ้างตามบรสารของเมื่อประมาณหนึ่งเก้ายี่สิบสี่ปีก่อนพรดีว่าไปอ่านหนังสือในพวกพลังทิพย์หรืออะไรเนี่ยหรือโลกทิพย์เขารวมเล่มไว้แต่ ว, ว่าผมยืมมาที่บ้านอ่านแล้วก็ท้ายเล่มมีบทบรรณาธิการบอกว่าวิปัสนาจารย์ของเมืองไทยเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อพุทธทาในในโลกอะ หลวงพ่อพทุทธธาตหลวงพ่อเทียนแล้วก็กฤษณามุรติไม่รู้ใครเป็นคนเขีย น, นบทเพลงนี้ครับผมก็เออหลวงพ่อพทุทธธาตผมก็รู้จักผมฟังเทปท่านเยอะหลวงพ่อเทียนผมยังไม่รู้จักคือใครก็ไม่รู้ตอนนั้นยี่สิบสี่ปีก่อนแล้วก็กฤษณามุรติผมเคยได้ดูเทปของวิดีโอเทปที่คนก็ไปอัดเอาไว้อ่าเป็นเป็นชาวอินเดียที่ที่ไปเขาไปชุบตัวให้ เป็นพวกอังกฤษออกไปที่ไปศึกษาที่อังกฤษจะกลับมาเป็นพวกปรมาจารย์ท ด, ด้านจิตก็เป็นคนที่ลึกซึ้งในด้านความเข้าใจในในในความจริงของชีวิตพอสงควรก็พอดีปีนั้นผมกลับมาเมืองไทยก็ไปเจอหนังสือปกติของหลวงพ่อเทียนแต่เขาเขาซีลไว้เลยนะเขาห่อไว้แต่เปิดเขาไม่ได้ที่แพรพิทยาก็ซื้อกลับมาคงจะเล่มนี้แหละผมพ่อเทียนปกติหลวงพ่อเทียน เราซื้อเปิดอ่าน่เป็นอาจรย์สอนอาชาปนกิจหลวงพ่อทิศคือท่านสิ้นไปปีก่อนนะัหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าแล้วคุณต้องไปบวกต้องไปบวกห้าร้ยสี่สิบสาเอาเองผมจำพอข้อสอนได้นะก็เอาไปอ่านแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าคืออะไรผมก็เอาไปเผยแพร่ที่วัดเส้นหลุยวัด ษ, ษรีรัตนารามตอนแรกก็ไม่มีใครรับอะ่ะเพราะว่า ซื้อไปสองตำเล่มไปไว้ที่ห้องสมุดเล่มหนึ่งที่วัดแล้วก็ไปแจกพระด้วยไม่มีใครสน ป, ปีนั้นนิมนต์อาจารย์สามท่านไปก็มีอาจารย์โกวิทเขมรันธาตอนแมีท่านชยส า, าโลก่อนแล้วก็สันติกโกสันติโกรโก่อนแล้วทัชยส า, าโลอาจารย์โกวิทอาจารย์โกวิทรู้ว่าเป็นฆราวาสเป็นอาจารย์ที่ที่รู้ธรำ ก็โชคดีได้ไปเจอท่านอท่านก็มาสอนตอนเนี้วิธีสร้างจังหวะพระท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังก็มองๆองาจารยมหาไลาก็นั่งอยู่ตรงนั้นนพอดีอตอนแรกท่านก็ไม่ได้สนใจพอพอดีท่านอาจารย์สมชัยเป้ามั่นเนี่ยตอนนั้นปีนั้นพระพอดีกลับเมืองไทยหรือท่านอยู่รูปเนี่ยนั่นก็เป็นนิมนต์อาจารย์สมชัยเป้ามั่นที่อยู่วัดอพุทธานุสรที่ ฟรีมอนแคลิฟอร์เนียมาเป็นเพื่อนรู้จักกันมา20ปีแล้วก็ท่านก็บางเดินบอกผมต้องไปบรรยายที่วัดเซนต์การมหลาลัยให้ไปบรรยายผมก็บอกท่านไปด้วยนะถ่านบอกออไปก็จะไหลกับอาจารย์สมชัยก็ตามไปด้วยผมก็ไปสาธิตวิธีเนี่ยฝรั่งเขาก็สนใจนะกับอนาปานัสติดูลมหายใจ สเสร็แล้วก็ถามบอาทำไมป้าสององไม่ยกมือมาเลยบอกก็ท่านตนัดดั้มาทางลมหายใจก็แต่พออหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เจออาจารสมใจบอกคุณหมอมีหนังสือนี่ไงวันะกลับมาท่านก็บอกขอหนังสือบอกมีในห้องสมุดพอเจอท่านหนึ่งอาทิตย์ให้หลังโอ้โหคุณหมอวิธีนี้มันดีมากเลยเนี่ยนะทำให้เข้าใจอะไรเยอะแยะคือท่านเทศไปถึงระดับปรมามัดได้เลยแหละคือท่านก็จบรเรียนหกแล้วก็ จบเอ็มมาสเตอร e e ีกรีาจากอินเดียท่านก็คุยธรรมะสูงอาจารย์หลก็จับเทศเลยคือนั้นปล อ, อีสองอาทิตย์อาจารย์หลายก็พูดเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> คือเกิดความสนใจในใ น, ในวิธีสร้างจังหวะตอนนั้นก็เลยเผยแพร่เป็นวิธีสร้างจังหวะที่เซนหลุยแล้วก็ข้างหลังก็มีอาจารย์มหาีิเลกไปเปิดวัดที่ลาสเปกัสคือท่านหนึ่งไม่ชีอ่ uh, สุรางเกิดไปอ่านหนังสือที่ผมเคยเขียนมาหลวงพ่อเทศที่ผมไม่ ไม่เคยพบแต่ได้รู้จักเขาก็ถูกใจก็ตามมาที่ที่แพร่แสงเทียนแบบนิมนต์ท่านให้เป็เจ้าว่าที่ที่วัดที่เขาสร้างขึ้นมาแต่นี้ก็ที่มีอาจารย์ดาเป็นประจำแล้วก็แล้วก็อาจารย์ดิเรกก็ไปอยู่ประจําไปไปมาๆแล้วก็มีอ่าตอนนี้ท่านมหาประสเสริฐอะไรก็ไปอยู่ที่นั่นอ่าท่านภัยเดทมีก็เดี๋ยวนี้เป็ น, เ ป, นเป็นการเผยแพร่ที่คนยอมรับหมดแล้วที่ในสาลัด อาบาต่างๆก็ยอมรับก็เป็นเป็นที่น่าตื่นเต้นนะ <c oughs> น่ายินดีเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมเคยสัมผัสมาเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ทำอาณาบานสติทํามาตอนบวชก็เคยทําเมื่อสี่สิบปีก่อนแต่ว่าก็ทิ้งไปนานแล้วพอสร้างวัดหนึ่งเก้าแปดสามเจ็ดปีก่อนหน้าที่จะจะเริ่มวิธีสร้างอย่งางหวาผมก็ทำอาณาบาลสติอาณาบาลสติแต่ว่า ทำได้ผลดีแต่ว่ามันหลุดง่ายในชีวิตประจําวันเนี่ยพอเรื่องอะไรมากระทบมันหลุดแล้วเพราะมันละเอียดอ่ะแต่วิธีขึ้นวางมรระเทศ น, นี้มันจะง่ายเพราะว่ามันอยู่กลางเช่นไหวในชีวิตเราก็ขึ้นไหวอยู่แล้วทําโดยการลืมตาด้วยเพราะฉะนั้นเอาเป็นผนวกกับชีวิตประจําวันได้เลยตอนแรกพระท่านท่านจากนิมนต์มาจากวัดอื่นท่านบอกวิทยานาบาลสนิทเนี่ยเปนของวิธีของพระพระเจ้าสอนพระต้องมีเวลา นะผมพูดแล้วผมก็ทอ้อใจแต่ยอมรับความจริงก็จริงฮรแต่ว่าจริงๆถ้าทําจริงๆทุกคนก็ทําได้แต่มันจะละเอียดแต่ว่าวิธีสร้างอย่างววาดเพผมพบวิธีแล้วที่บอกว่าจะทําปฏิบัติให้สติต่อเ น, นื่องเป็นลูกโซ่นะภายในเ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเนี่ยจะน่าจะส่งเป็นอนาคาเมีหรือพระอรหันต์บอกโอ้เราเจอทางแล้วค่อยเห็นแสงหน่อยไม่นั้นมันมืดเลยแม้จะทําได้อาตมสิได้ดีแต่มัน มันไม่ได้ผลดังใจเพราะมันหลุดง่ายพราะมาวิธีนี้มันมันมันคอยดึงตัวเราไว้การเขลื่นผมพูดได้มือเนี่ยมันก็ดึงให้กลับมาที่จิตใจเราให้เห็นใจเห็นความคิดแล้วทาอะไรก็ไม่ไม่ทําด้วยอารมณ์มีรู้จักว่าหยุดยั้งทําอะไรให้ถูกต้องได้ได้ทันทีคือเห็นใจเราเห็นความคิดเรานี่ยมีประโยชน์เหลือหลายเลยฮผมผมชอบวิธีนี้มากก็พยายามส่งเสริมวิธีนี้แต่ฝรั่งบางคนเขาเทรนมาจากด้านอื่นเขาก็ไม่ทำํำ หรือว่าคนไทยบางคนเขาก็ไม่ยอมทันถ้าเห็นมันรุ่มร่ามผมก็เคยท้าจันไลบ อ, อกชีวิตที่มันสั้นนะหลวงพ่อมันมันห ม, มาจนตรอกต้องสู้ยังไงก็ได้ท่า น, นก็ข้อหลังท่านรับกันเดี๋ยวนี้นเป็นต้นสายของสายหลวงพ่อเทียนเนีที่ทางมหาสารคามก็เหลือเชื่อ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นีคือคนที่ทําแล้วได้ผลมันก็ได้ประโยชน์แล้วมันเห็นด้วตาผมถึงชอบมากแล้วก็พยายามเน้นให้ขาววาทําอันนี้เพราะว่าถ้าบอกวาไม่มีเวลาจะไปนั่งวันละชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นหรือครึ่งชั่วโมงเช้าเขาก็ไปส่งลูกไม่ทันเลยทําอะไรต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาเพิ่มเวลาจะมาตื่นทีสี่ทุกวันก็ก็ทําไม่ไหวเพราะชีวิตบางทีผมนอนดึกตื่นเช้าแล้วผมสู้ไม่ไหว ผมก็แบบชีวิตฝรั่งเขารวมมันว่ามีมีเหมือนนกคูกหรือเหมือนนกนางแอ่นนกแอ่นตื่นเช้านกคูกมันหากินกลางคืน <c oughs> ผมเป็นพวกนกคูกก็ <c oughs> สรบไปไว้ดีนี่วันนะครับ In in St. Louis. Uh, I I didn't get your question. Well, we person a n a n y in in what? Oh. Uh, uh. What what is your question? I didn't. I know. I know. Vipassana j a n a but I didn't get the other part of the question. Oh, oh yeah, this will lead you to that. Vipassana y a n a start with h uh, uh, you have. It's a mind development to gain wisdom, and then uh, it start with differentiate body and mind. By by being aware of yourself, it's already differentiate body and mind. Differentiate by because your mind or your body moving. So it differentiates by seeing body and mind. See the body moving, knowing your mind by doing that, and after that, it start catching sankara, your thoughts. Yeah, you know, sankara n u b e k k a y a n a That means you you be neutral to the thought, not being dragged into the thought. You have you unbiased to your thoughts. That's the later part, and then when you get to that step, we get close to liberation. because once you see your mind not being uh, not being dragged into the thought it's free your f your thoughts mm. ที่ท่านถาม่าคล้ายวิปัสนาญาณเนี่ยวิธีหลวงพ่อเทีย น, นยจะพาไปถึงไงมันไปโดยอัตโนมัติเช่นจะมีนามรูป ป, ปริเชยทญาณย่างความรู้สึกตัวที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วอันทีที่รู้ว่ามีความรู้สึกตัวเห็นมันแยกรูปแยกนามแล้รเพราะรู้สึกตัวนี้เพราะกายเคลื่อนไหวมันรู้สึก แต่ใครเป็นคนรู้จิตใช่ไหมดงนั้นมันก็มีสมาธิอยู่ในแล้วไม่นั้นมันจะแยกไม่ได้ทันทีที่ที่รู้สึกตัวมันก็มีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่แล้วปัญญาก็คือวิปัสนาญาณขั้นตน้นนามรูป ป, ปัจิพชยถ้าทําต่อไปก็เกิดไปถึงเห็นสังขารคือความคิดปรุงแต่งก็เกิดสังขารรูปสังขารขารูปเบคขายานคือว่าคือเป็นกลางต่อความคิดเลยเป็นอุเบกขาต่อสังขารคือไม่เข้าไปในความคิดหลุดมาจากความคิด ต่อไปมันก็จะใกล้ไปถึงการหลุดพ้นต่อไปเช้าเนะครับครับที่หน่อมาดูข้อแล้วเล็กข่าวว่าไม่ได้เป็นอ มันมันเป็นมะเร็งเดิมตัวเดิมคือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคิดว่านะฮะเพราะมันมันมคืออันนี้คือเมื่อวานมาเนี่ยทานโนตแจ้งว่า อ, อ่มีอยู่พักหลวงพ่อหายใจไม่ค่อยออกเขาก็เลยให้สเตียรอยเด็กซเมทอโซแล้วมันก็เริ่มยุบไปถ้าเป็นมะเร็งเอคือมันแค่บวมอย่างเดียวมันไม่น่าจะยุบมากขนาดนั้น เม่อาจารย์ท่านดีขึ้นมาอย่างมากเลยก็เลยทําให้สงสัยว่าเอวินิจฉัยถูกต้องหรือเปล่าเ้าก็เลยเอาเนื้อเยื่อที่ตอนนั้นสองกล้องลองไปในหลอดอาหารเนี่ยที่ที่เอาเนื้อเยื่อ อ, ออกมาไบรอฟซีไว้เอาไปที่จุฬาตอนนั้นเขาไปตรวจที่สีราดแล้วก็อาจารย์ทวัตชัยที่สีราดก็อ่านอ่านว่าอ่าในนั้นไม่มีไม่มี มะเร็งหลอดอาหารคือมันเนื้อมันคล้ายๆมันดูยากอ่ะแต่ว่ามไม่มีมมะเร็งหลอดนะฮะแต่ก็เป็นเป็นเนื้อเยื่อที่ว่ามันค่อนข้างจะผิดปกติมันเป็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติคล้ายเซลล์มันคล้ายๆจะค่อนข้างจะลุกลามอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นเป็นอะไรแน่เพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากว่าได้ผลจากยาสเตียรอยเนี่ยก็เลยลองให้คิดว่าจะลองให้อ่อ เอเออตัวตัวเดิมที่เคยรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะที่ตอนนั้นหลวงพ่อเป็นรั้งแรกก็หายใจไม่ออกเหมือนมันมันบาที่คอแต่อนนั้นมันปูดขึ้นมาเห็นชัดเลยพอให้ยาพับสองอาทิตย์มันยุบเลยทันทีท่านท่านอ่ท่านตุ้มบอกว่าวันที่ให้มันก็ยุบทันทีแล้วเหมือนขนาดนั้นคือมันมีตัวหนึ่งที่มันเรียการทักแซนเป็นเป็นแอน i c d 2ีทีมัน มันเจาะไปที่ไอตั ว, ต, วตัวเซลตามน้ำเหลืองเลยลลเซลตามเซลตามไอเขเลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวที่มันเกี่ยวกับภูมิภมกันมัน <The noise> จะเจาะไปตัวนี้เลยมันไปทำลายโดยตรงเลยถ้ามันได้ผลก็ตัวนี้ก็จะดีมากเพราะฉะนั้นมันข้อเสี่ยงนีคือมันคล้ายๆมันจนตรอกแล้วมันนี้มันไม่มีอะไรจะสูญแลมากกว่า น, นี้ก็ลองให้ดูว่า าการมันก็ถ้าเป็นถ้าเป็นจากตอนน้ําเหลืองนั้นมันก็จะดีเหมือนเดิมได้โอเคอ่ามันก็หายได้อะ น, นั้นคือพูดภาษาง่ายๆแต่ก็ต้องระวังผลแทรกซ้อนอะไนั้นนะคนะือให้แบบก็มันมันก็ไม่เสียอะไรแล้วถ้าเป็นเป็นมะเร็งอหลอดอาหารมันก็ไม่หายแต่มันก็ไม่มีไม่มีผลแทรกซ้อนอย่างอื่นนอกจากว่า ไม่มีข้อเสียแต่ว่าอาจจะมีผลแทรกซ้อนจากการเขาให้คีมโมควบไปด้วยะฮะคีมโมบําบัดเควบกับไอตัวตัวที่แอนติบอดีเนี่ยก็เลยเรตักซานแอนตีทวันตี้มันจะทํำลายไอเซลลมะเร็งต่อน้ําเหลืองโดยตรงเพราะฉะนั้นมันก็ระวังแค่ผลแทรกซ้อนหลังจากให้แล้วคือมันทําให้เม็ดเลือดต่ําอาจจะติดเชื้อง่ายด้วยนะ มันทุกอย่างมันไม่มีไม่มีว่าดีทุกอย่างไม่มีก็มีข้อดีก็เสียแต่ก็ทำให้หลวงพ่อรอดมาแล้วชุดรอบแรกเนี่ยหนักมากบอกว่ามีทางผมได้ฟังแล้วเออผมผมก็สนับสนุนให้ทำอย่างนั้นพ่าก็ทำแท์ทางเลือกมาหลายทางแล้วให้แมโนแอซิดให้ให้พวกเนียสารเพิ่มอะไรพวกนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ อ่าอ่าอ่าคือถ้ามันเป็นอันนั้นเน่ะเมื่อคือมันอาจจะไม่ได้เป็นจากข้างในหลอดอาหารออกมาเป็นจากไอเนื้อ ง, งอกไอไอ้ตามําเหลืองมันมันมาห่อหุ้มทําให้เกิดอาหารลําบากมันไปเบียดจากข้างนอกเข้ามาคิดว่าอย่างนั้นแล้วหมอหมอตองนี่ก็เป็นหมอทั้งโรคเลือดเขาเอายามาให้ที่วัดได้เลยใช่มันก็ดีอ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ผ่าไปไม่ได้รับที่นี่ก็กดีผมก็ให้ยาตัวนี้นะรักษาพวกรูมมาทอยพวกโรคข้อก็ใช้ยาตัวเดียวกันเลยแต่ว่าผมให้ในออฟฟิศให้ในคลินิกที่คลินิกของผมคนใก้ขับรถมาออตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงสี่โมงก็กลับบ้านแล้วจะให้ประมาณสามสี่ชั่วโมงตัวนี้ ก็กลับบ้านได้เลยไ ม, ไม่ไม่มีผลแทรกซ้อนอันนี้แต่ว่าเราต้องระวังติดเชื้อในระยะยาวแต่ถ้าให้คีมโมบำบัดนี่ยมันมันจะลงภายในสองสามอาทิตย์เลยบางทีเม็ดเลือดขาวมันจะต่ํำก็ต้องระวังติดเชื้อแต่รู้สึกที่นี้ก็ดูแลกด็ดีนะใส่หนาา้ากากก็ระวังการติดเชื้อครั้งดีก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าดีใจถ้าเป็นรักษาแล้วดีขึ้น ใือไหมนะมันหมดทางอ่าเห็นผมเห็นรูปถ่ายที่ลงใน Facebook. เฟซบุ๊กอ่าก็ครั้งแรกนี่ท่านทำเคมีโอเอทํำเอรักษามะเร็งครั้งแรกมะเร็งตํมามน้ำเหลืครั้งแรกเนี่ยลิมโฟมาท่านท่านดีขึ้นแล้วก็ท่านโหมมากเลยปลูกต้นไม้ถางอ่าท่านบอกอ คุณหมูเ็าพยายามบอกห้ามท้านเน้ไม่ไม่ไม่เชื่อบอกให้ผมไปห้ามบอกผมก็บอกท่านบอกผมพ่อจะทำช้าๆหน่อยแล้วจะได้ได้งานเยอะๆทีหลังบอกไม่ได้หลวงพ่อเป็นหนี้คนไทยเย 10, 000, 000. อะสิบเ็ดล้านเพราะยาเป็นแพงมากคือหลอดหนึ่งเนี้ยให้ครั้งหนึ่งนี้ประมาณอย่างน้อยเจ็ดพันเหรียญสารัดนะ สองแสนเศษแล้วให้ทั้งหลายคอร์สของพ่อจดไว้หมดหกสิบเอ็ดล้า น, <c oughs> นอะไรเงี้ยแม่จี ไม่ถามอะไ ร, รจะนั่งฟังเฉยๆอะ่ะนโยมอ่ะโยมถามอะไรก็ปกติเวลานี้เนี่วิทยากรเก่งๆก็ไม่รับนะบ่ายมองในเวลาหลับถามปะ่ะเนี่ยสัมภาษณ์หน่ยได้ไหมอ่าเนี่ยหมอจะสัมภาษณ์แล้วนะ คงใส่เมื่อกี้หัวเราะอะไระกิ๊กกๆๆกๆๆๆๆม่ถูกยุบหน่อ้องหนอแล้วาสัมผัสเลยคุณหมอก็ะไล่ฟังนี่ยังดีนะถ้าฟังหลวงพ่อไล่ฟังขำกิ้งเลยคุณพ่อบอกก็าค่อยๆย่ อ, องย่องย่องครึ่งชั่วโมงอ่ะพ่าว่านี่ยังสิบนาทีหลวงพ่อทุ่ม จะไปเดินขําถนนได้ยังไงเนอะสายพมา่าช้าจริงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะ่ะไปประเทศพมาะนะ่าเนี่ยเวลาเดินบาดโหนช้าจริงๆเดินขึ้นเขาลงเข า, าอ่ะช้าไปจะเดินถึงเนี่ได้ตังค์เต็มเลยนะก็อยให้แบงค์คนไทยไปเที่ยวเห็นเดินจะช้าๆลงเนี้ยเออพระไม่ก็มีแรงมัง่งไม่มีตังค์ซื้ออาหารมัง่งไปใส่ตังค์ไปงไงีย อ่าเนี่ยเราได้ฟังคุณหมอวิจิตรศักดิ์ของท่านก็ได้ยินได้ฟังกันบางทีก็เอาสื่อมาเปิดให้ดูที่คุณหมอก็ให้สื่อสื่อว่าเปิดให้ยมดูบ้างบางทีพาซีเจ็ดซีแปดเป็นหมอผู้บริหารระดับกลางมาปฏิบัติเนี่ยพระพูดไปเถอะก็ไม่เชื่อหรอกนะพอเปิดสื่อของหมอท่า น, นั้นอ่ะโอ้โหสะกดเลยพอหลังจากปิดนี่นั่งยกมือกันเลยอ่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบารมีเป็นอย่างนีนเออ้เราก็เลยใช้กันเห็นคุณหมอมาก็เลยเอาประโยชน์อนะคุณหมอนะั่นเขารู้วพวกนี้จะกลับตอนเย็นจามิสารอยู่จามิสารนั่งกระแทกตอนเจ้าว่ามีพระแทอย่างมาเจ้าเจ้าวิชัยก็เลยเฉวยโอกาสเอาตอนเพลนีลแหละเวลากินแล้วกาฉันเสร็จก็กําลังง่วงนอนกําลังนอนกั็ดีเลยก็เรียกออกมาเอามามีของแปลกมีคุณหมอมา มาได้ยินได้ฟังเลยรู้วเออนิพานในจักรวาลก็มีนะใช่ไหมอันเดียวกันเลยอ่ะออมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราว่าตื่นหูตื่นตาตื่นใจนะวันนี้นะได้ฟังอาจารย์นนะไปสานก็มานะเมื่อกี้มันนั่งอยู่แอบนะว่าบอว่าดีมันมีแกะอ่ะมีแกะยิงกันเลยเดี๋ยวกลับไปหาแกะก่อนจะกลับไปทันก็มาเห็นว่ามีความสําคัญอยู่เห็นนะอันอนุมัตนาสาตัวเปหมอสักสามครั้งนะ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิในการแบ่งปันกำพูดดีๆให้ท ร, รมาเป็นทานถือว่าเป็นเป็นล่าแก้วของพุทธศาส น, นิกชน